ครับขอโ อ, อากาสครับอาจารย์คือเมื่อคืนได้เดินจงกรมกับคณะคืออย่างอย่างเมื่อคืนที่เดินเนี่ยจะรู้สึกว่าเราจะไปไปเพ่งจ้องอกับเวทนามากเกินไปแล้วมันก็จะภาคอยู่ตลอดเวลาว่า <c oughs> เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมเจ็บไหมปวดไหมอะไรปวดใจปวดหรือว่าร่างกายมันมันเจ็บมันปวดเราก็พยายามภาค ก, กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆว่ามันมีสติว่าเรา เราไม่ได้สวยเวทนานะเราขาเราหรือว่าเอวเรามัน่อเบื่อเบื่เจ็บอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ใจเรามันคือมันพากอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยมันมันมันยังไม่สูงขึ้นไปอืมอืมอืมอืมใช่ไหมครับเข้าใจผิดก็จะผิดที่มันเห็นว่ามันพามันพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ถูกต้องแต่ที่ผิดคือมันยังไม่สูงไปกว่านี้ขอถามหน่อยว่าถ้าสูงไปกว่านี้เราจะเป็นยังไงเอ้า สูงไปกว่านี้มันคือมันไม่พากอะไรเลยผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วสูงไปกว่านี้แล้วมันจะไม่พากอะไรเลยนี่ผิดแล้วครับครับคือพากี่เป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมครับถูกต้องเรานั่งอยู่นี่ก็พากอย่าว่าจะพอตอนเดินมันจกลมเมื่อคืนในนั่งต่อหน้าอย่างนี้ยมันก็พากมันก็พูดมันก็พึมพามันก็คิดติดต่อมันก็หาเหตุผลพิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันก็พูดมันก็พากซ้อนลุงตาอยู่นี่น่ะ แล้วเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นชีวิตนะอันเนี้ยมันเป็นขันห้าเป็นชีวิตดับมันไม่ได้ถ้าดับมาแล้วตายเลยและไม่มีสูงกว่านี้ไม่มีว่าไปสูงกว่านี้มีแต่อย่างนี้แนะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ใช่ไหมครับก็เห็นมันเนี้ยก็ปล่อยมันได้ว่าเห็นม่นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกับอย่างเนี้ย โยมเห็นไหมเขาเปิดสปริงเกอร์น้ําเนี่ยเนี่ยเนี่ยสปริงเกอร์น้ำเนี่ยเป็นยไงลองลองหาไปดูสิมันก็พ่นน้ําอยู่ตลอดเวลาครับแล้วมันหมุนไหมหมุนครับเออมันหมุนรอบตัวมันเองตลอดเวลาครับนั่นแหละคือเปรียบเหมือนในตัวที่บ่นอยู่ในใจเราครั บ, รบแล้วดูสิว่ามันก็คงหมุนเข้ามาอยู่อย่างนั้นแหละในป่าเนี่ย<ม>แล้วมีใครไปทําอะไรกับมันไหมไม่มีใครทํำอะไรนั่นแหละเป็นแค่นี้เองธรรมชาติธรรมะเป็นแค่นี้เอง ไอตัวที่พูดตัวที่บ่นอะไรเนี่ยก็เหมือนสปริงเกอร์ที่มันหมุนรอบตัวมันเองเนี่ยในป่าเนี่ยครแล้วไม่มีใครไปทําอะไรกับมันภายในใจเราเนี่ยมันมันมีตัวหมุนรอบตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาคือมันคิดมันพูดมันบ่นมันพากอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนกับสปริงเกอร์เลยแต่ก็ไม่มีใครไปทําอะไรกับมันนั่นแหละคือความทุกข์แค่นี้เองไม่ใช่ว่า ผมยังไม่สูงไปกว่านี้คือสูงไปกว่านี้คือไงสปริงเกอร์มันหยุดอันนี้คือตาย <AM> ตายเแี่ยัไม่พ้นทุกเพราะยังเข้าใจผิดอยู่คครรัับบยังไปยุ่งวุ่นวายกับสปริงเกอร์อยู่ <AM> คือสปริงเกอร์คือตัวไอ้ที่มันหมุนน้าเนี่ยก็มันคือเหมือนไอ้ตัวที่เราคิดหมุนวนอยู่ในใจเราเนี่ยถ้าเราังเข้าใจว่าเราจะพยายามดับสปริงเกอร์ให้ได้เราจะพยายามจะดับอไอเก้เนี่ยสปริงเกอร์ก็ต่อกันที่สูงเนีย่ยเราก็ดับไม่ได้ทันทีนั่นเราก็จะวิ่งควานหาไ อ, ไอสวิตช์มันที่จะปิดว้า <AM> ว อันนี้ถ้าเรายังวุ่นวายมันยังไม่เข้าใจเนี่ยว่าไอเราเนี่ยจะไปยุ่งกับเขาปล่อยมันหมุนอย่างนั้นแน่แต่เราจะพยายามจะดับมัน้ได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าถ้าเราดับมันได้ดับสปริงเกอร์ที่หมุนได้แล้วเราจะบรรทุกเราจะสูงขึ้นอันนี้ไม่ใช่ใชเข้าใจผิดที่ถูกคือเหมือนกับสปริงเกอร์มันหมุนก็หมุนไปเนี่ยมันหมุนพ่นน้ามันไปทั่วนแต่ไม่มีคใครยุ่งกับมันก็ไม่ทุกใน ใ, นใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายมัน มันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายตลอดเวลานะ่ะแต่เนี่ยไม่มีใครยุ่งวุ่นวายกับมันมันยุ่งใจอย่างภายในจิตใจเราอยากวุ่นวายก็บช่างมันแต่เป็นต่อประแจของใจที่ไม่วุ่นวายแต่จิตมันก็ปรุงแต่งวุ่นวายไปแต่ใจไม่วุ่นวายจิตที่ปรุงแต่งเหมือนกับเด็กที่มาเกิดในคันหรือมดลูกส่วนใจที่ไม่ปรุงแต่งเปรียบเหมือนคันหรือมดลูกมันคนละตัวกันเข้าใจไหม จิตที่ปรุงแต่งที่เราบอกว่าวุ่นวายวุ่นวายมันคิดมันตึกมันตอมันพูดมันบูมป้อมบูมป้อบูมป้อเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันเมื่อเด็กที่มาเกิดในคันก็เหมือนกับสปริงเกอร์ที่หมุนหมุนหมุนมัรอบตัวเองอยู่อย่างเงี้ยที่มันสปริงเกอร์พ่นน้าเนี่ยพ่นน้ามันหมุนรอบตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันอันเนี้ยส่วนใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยหรือพุทธะหรือธรรมธาตุเนี่ยอันเนี้ยหรือสุญญามหาสุญญตาเนี่ยเป็นความว่าง เป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเปรียบเหมือนเป็นคันหรือมดลูกมันเป็นคนละส่วนกันดังนั้นความเข้าใจสูงสุดปัิญญาสูงสุดก็คือเข้าใจอย่างนี้ว่ามันคนละส่วนกันเพราะว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันไม่สามารถไปทําอะไรกับไปจิตที่ปรุงแต่งที่กระเพื่อมที่ไหวตัวที่คิดนึติดต่องปรุงแต่งไม่ให้มันพากไม่ให้มันพูดไม่ให้มันบ่นไม่ให้มันคิดติดตองได้เพราะใจมันไม่มีเครื่องมือมันมีไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่าง แล้วมันรู้ว่าอะไรหมุนอยู่ในตัวมันเนี่ยคือความคิดนึกต่ตอมปรุงแต่งเนี่ยหมุนในตัวมันตัวมันก็คืออะไรหมุนอยู่ในใจส่วนใจเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันคิดนึกตื่ตอมปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรกระเพื่อมอยู่ในมันแต่มันเนี่ยไม่กระเพื่อมแค่นี้เองไม่เชื่อว่าเราเข้าใจผิดว่าจะไปทําให้อดีกระเพื่อมมันมันดับไปแล้วมันจะได้ ปัญญาสูงสุดถ้าไอ้ที่กระเพื่อมที่มันพูดที่มันบ่นมันหายพูดหายบ่นหายคิดติกต้องแล้วเราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่อ่ะไอ้ที่กระเพื่อมมันก็กระเพื่อมไปอ่ะแต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ถ้าเรายังเข้าใจผิดจะอ้อยตัวขันห้าไปช่วยไอ้จิตที่กระเพื่อมไม่ให้มันกระเพื่อมอันเนี้ยเราหลงยึดถือขันห้าแล้วเอาไปพยายามดับขันห้ามันก็หลงอยู่ในอาการของขันห้ามไม่ได้ไปไหนแล้วมันไม่ได้ออกไปไหนเลยอันเนี้ย ต้องปล่อยให้อาการงองขันาหน้าเนี่ยมันมันไหวตัวมันกระเพื่อมมันคิดนึกติดตองมาอยู่อย่างานั้นน่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันไม่ใครเป็นเสบยไม่มีใครไปยึดถือมันก็เลยกลายเป็นใจไปไอ้ส่วนกระเพื่อมก็กระเพื่อมไปไอ้คนที่ไม่ไปยุ่ง ไ, ไ, ไม่ไปยึดถือไม่ไปวุ่นวายมันก็เลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเพราะธรรมชาติมันมีอยู่สองสิ่งด้วยกันคือสิ่งหนึ่งกระเพื่อมไหวตัวได้เรียกว่าปรุงแต่งอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรือมหาสุญญตาเป็นความไม่ปรุงต่มเลลปนาาาัวจก ธรรมชาติสองสิ่งนี้อยู่คู่กันตลอดการไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอิรสระ ต, ต่อกันเปรียบเหมือนใจเปรียบเหมือนความว่างของจักรวาลส่วนปุงแต่งทั้งหมดเหมือนกับสิ่งที่ลอยอยู่จักรวาลไม่ว่าจะโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกล้วนแต่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลมันอยู่ด้วยกันแต่มันทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าไอ้จักรวาลมันมีแต่ความว่างไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเร็วปานใดก็ตาม ไม่ว่าจะส่วนที่เป็นพลังงานแล้วก็ส่วนที่เป็นสสารสสารก็คือโลกดวงดาวดวงจันทร์อุทิตที่มันจับต้องได้ที่มันเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยส่วนพลังงานก็พวกพลังน้ําพลังแม่เหล็กโลกพลังประจุไฟฟ้าพลังแรงดึดูของโลกพวกพลังพระอาทิตย์พลังดินน้ําลมไฟพวกพลังงานเหล่าเนี้ยสสารและพลังงานมันมีอยู่ในธรรมชาติของจักรวาลที่ว่างเปล่ามันอยู่ด้วยกัน คือจักรวาลว่างเปล่ามันก็อยู่เนี่ยแล้วทุกอย่างมันลอยอยู่ในจักรวาลตั้งศาสสารพลังงานก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในจักรวาลแต่มันทําอะไรไศาสารและพลังงานมันทําอะไรของความว่างไม่ได้เพราะว่ากวามว่างมันไม่มีตัวให้ถูกกระทบในขันห้าในร่างกายจิตใจเราเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติภายนอกเน็ตเลยคือร่างกายเป็นสาสารจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจําได้หมายรู้ที่มันคิดหมุนวนต่างๆเนี่ย มันเป็นพลังงาเนเราสังเกตไหมเวลาเวลาเขาไปอยู่ไอซูเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยเขาจะมีเครื่องอะไรนะจอมอนิเตอร์อะไรไว้แล้วมันจะขึ้นที่ไอจอมอนิเตอร์เป็นเป como como como como como como como ็นพลังงานเป็นขึ้นตื๊นเหมือนไอขึ้นไอขึ้นเป็นเวฟเป็นภูเขาลงอ่ะเป็นเป็นเทือกเขาอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นเวฟเนี่ยแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่พอตายปุ๊บเนี่ยขึ้นนี่ก็หายไปไม่มีอ่ะไม่มีขึ้นไม่มีไม่มีขึ้นแบบเหมือนภูเขาขึ้นลงแล้กลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็เลือนหายไป เพราะถ้ายังไม่ตายเนี่ยพลังงานยังทํางานอยู่พลังงานเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยความจําได้หมายรู้ที่มันบ่นได้พูดได้เนี่ยตัวนี้ที่เราพยายามจะดับมันนะดับไม่ได้นะถ้าดับปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นนี่สัญญาณเส้นตรงอะตายเลยในจอในจ อ, นจอมอนิเตอร์อะตายเลยเพราะฉะนัน้นมันดับไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เราพูดเราบ่นเราคิดเราตึกเราตองเราภาคซอ้อนหลงตากําลังพูดอยู่เนี่ยภาคในใจซอ้อนอยู่เนี่ยมันก็ซ้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลกตา พูดเนี me, ่ยมัก็ภาคเนี่ยว่าอะไรอีกแล้วบนแล้วเราทําไมเราฟังก็ไม่รู้เรื่องต่อที่ดีโดนไหวแล้วโดนบ่นแล้วไม่ค่อยากมาเลยมาแล้วก็บนอย่างงนไอเนี้ยมันภาคมันพูดเนี่ยถูกต้องแล้วมันภาคมันพูดน่ะถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นมันเราเห็นมันแล้วก็ปล่อยให้มันเนี่ยภาคมันพูดมันเป็นพลังงานไม่ใช่ว่าเราเราเนี่ยไปเป็นตนภาคไม่ค่อยเราเนี่ยไปเป็นคนภาคเลยคนพูดไม่ใช่เราเห็นมาวันในภายในใจเรามันภาคมันพูดอยู่เนี่ยอันเนี้ย เราอย่าหลงไปเป็นไอ้คนภาคคนผู้คนบนและเราอย่าหลงไปดับมันต้องการให้เห็นมันเพราะเห็นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมเห็นธรรมธชาติที่ปรุงแต่งเห็นธรรมอะไรก็เห็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่ในใจที่ว่าดับมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งในใจเนยดับไปได้เนี่ยเห็นอย่างนี้เพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าเห็นธรรมก็มันเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันก็ บนอย่างนี้แล้วก็บ่นต่อบนอย่างนู้นบ่นอย่างนี้บ่นอย่างนั้นบนอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูบอมพูดบอพูดบอย่างนี้แล้วเราก็บังคับมันก็ไม่ได้ดับมันก็ไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเลยดับมันไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่จะไปดับมันได้เลยเรียกว่าอนัตตาเห็นมันอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมต่อให้ฟังธรรมเราตรงนี้ไม่เข้าใจแต่เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมทั้งวันทั้งคืนพอเห็นธรรมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ ถ้าเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่าเนี้ยเข้าใจว่าเออเนี่ยมันเป็นธรรมาชาติที่ไม่ใช่ตัวเราปล่อยให้มันไปมันจ ะ, จะพูดยังไงก็ บ, บ่นไปปุ๊บเอาถ้าปล่อยมันในจริงปุ๊บเลยกลายไปเจออีกตัวนหนึ่งคือใจที่วางเปล่าเหมือนกับธรรมาชาติจักรวาลนั่นแหละคือความจักรวาลที่วางเปล่าที่มีสสารและพลังงานเกิดดับอยู่ในจักรวาลมุนวนอยู่ในจักรวาลแต่ความวางเปล่าจักรวาลไม่เกิดไม่ดับนั่นแหะคือ ใ, น ใ, นในจหรือจิตเดิมแท้ๆจะเป็นความว่างมันจักรวาลในร่างกายในจิตใจเราเนั่นก็มีสามส่วนคือร่างกายที่เป็นสสารแล้ว ไอ้จิตใจที่มันเนี่ยมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมันบ่นมันพุมพอมพุมพอมพุมอมพุมพมยู่ในใจเนี่ยคือพลังงานแล้วก็ไม่ได้มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับร่างกายสาสารแล้วไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับพลังงานคือส่วนที่เป็นจิตที่มันมันกระเพื่อมที่มันไหวตัวเกิดดับได้เนี่ยมันก็เลยไปพบกับใจที่ว่างเปล่าที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆเลยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นและในธรรมชาติภายนอกก็มีอยู่สามส่วนคือมีความว่างของจักรวาลแล้วมี มีสาสารเนี่ยโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จัลลุนดาวเทียมอะไรที่หมุนอยู่ในในจักรวาลเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นสาสารในตัวที่เคลื่อนเคลื่อนไหวลอยไปเนี่ยแล้วมันปล่อยคลืนรัญญาณต่างๆเนี่ยมันก็เป็นพลังงานสิ่งไรเคลื่อนที่สิ่งนั้นก็ปล่อยพลังงานได้หมดอ่ะมันก็ปล่อยพลังงานออกมาแต่ทั้งสสารและพลังงานในธรรมชาตนะิมันก็อยู่ในความว่างเนี่ยของจักรวาลเมันอกไปไหนได้มันไปไหนไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในความว่างอันนี้ร่างกายจิตใจเราก็มีอยู่สามส่วนคือร่างกายส่วนที่เป็นสาสาร และจิตส่วนที่เป็นพลังงานที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็จิตใจเดิมแต่แท้ซึ่งเป็นความว่างเปล่ามันก็มีสามส่วนเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วธรรมะก็คือว่านี่ยมันมีแครมชาติแค่นี้แล้วไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันก็แค่นี้น่ะจบเลยธรรมาชาติสาส่วนไม่มีใครยึดถืออะไรซึ่งกันและกันก็จบเลยแค่นี้มันปล่อยเป็นธรรมชาติผูเป็นธรรมชาติเตรวนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมอะไรก็เป็นธรรมชาติเนี่ย ปล่อยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไอ้ตัวไหนสั้นๆก็ปล่อยมันสั้าๆสั้นๆก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปตามธรรมชาติพลังงานก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับความว่างก็เป็นความว่างความว่างความว่างมันก็เป็นอยู่แค่นี้ธรรมชาติมันมีสาส่วนเนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะมัมีแค่นี้แหละธรรมะคือมันไม่มีอะไรธรรมชาติทั้งสามตัวนี้ไม่มีอะไรยึดถือซึ่งกันและกันตอนนี้ที่มันปฏิบัติผิดยังไงปฏิบัติผิดมันไม่เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงเลยที่มันไปเอาไว้ตัว ไอ้ตัวสสารกับตัวพลังงานที่เป็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวปรุงแต่งได้มันจะพยายามเอาไปช่วยอะไรมันก็วุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าธรรมชาติปรุงแต่งมันต้องเป็นธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติของจิตแท้ๆหรือใจเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งของมันเป็นของมันอยู่แล้วเพียงแต่เรามาเข้าใจสมัยดับอวิชชาคือมาเข้าใจสมัยแก่นั้นแนไม่นจะว่าไปทําอะไรขึ้นมาใหม่ บางคนพยายามจะไปทำนิพพานขึ้มาใหม่ไปหานิพานไปไปพยายามหาใจที่ว่างเปล่านิพพานมันคือดับอวิชชาคือดับความโง่ดับความหลงผิดไม่ใช่ว่าไปเจออะไรไปหาอะไรไปเอาสภาวะอะไรพยายามจะไปหาใจที่มันต้องว่างที่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งพยายามจะไปเอาใจที่นิ่นงเงียเฉยไอ้นี่มันเป็นอวิชชาไอ้นี่มันเป็นอาการของใจใจที่มันนิ่งว่างเงยเฉยมันเป็นอาการของใจมันเป็นส่วนที่ร่างกายเป็นขันอมันเป็นเวทนาขัน มันก็ดูให้ดีๆด้วว่าในความนิ่งว่างเฉยมันมีตัวเราพูดไม่หยุดในความสงบเนี่ยมีตัวเราเนี่ยพูดลำพึงลำพันพุมพอมพุ่มพอมพุ่มพมพูดอยู่ในใจบนอยู่ในในใจคิดนึกติดตองดิ้นรนค้นหาพยายามปรุงแต่งอะไรต่างๆในใจไม่มีวันหยุดและไม่มีวันเลิกราจุ๊กจิ๊กุ้๊กจิ๊กจุ๊กมิ๊่าุ๊กจิ่กงุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจด๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊ีจย ดับมันไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นขันห้าดับมันไม่ได้จะดับไอ้มัน่ะไม่พูดตายเลยจะดับมันไม่พูดในใจตายเลยออดับมันไม่ได้เาั่นเราก็เลยเห็นว่าในความสงบก็มีความมีความเพลินไหวในความเพลินไหวก็มีความสงบไปสังเกตเห็นมาอยู่อย่างเนี้ไอตัวสังเกตเห็นเป็นตัวสติปัญญาเป็นตัวสติปัญญาของขันห้ายืมมาใช้เป็นตัวสังเกตไว้สังเกตเห็นว่าเออในความจะไม่ว่ามสงบขนาดไหนมันก็มีตัวเราพูดไม่หยุดในความสงบ ไม่ร่าจะว่างขนาดไหนเบาขนาดไหนก็มีตัวเราพูดไม่หยุดเป็นความสงบและความว่างเราเห็นอยู่อย่างนี้แน่เออเลยเห็นว่าโอ้ธรรมชาติมันไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันสสารก็คงเป็นสสารเดินไปเดินมาไอตัวสสารที่มันพูดได้บนได้มันก็คงเหบอนได้พูดได้เพราะมันอยู่อย่างงี้แน่แต่ใจที่เป็นความว่างเปา่าก็คงเป็นความว่างเปล่เนี้ยก็อยู่ได้กันไปและไม่มีใครยไปยึด่าอะไรเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราสักส่วนเดียวแม้แต่ตัวสติปัญญาที่ยืมมาใช้ก็ไม่ได้ มาเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ฉลาดเราเป็นผู้รู้แจ้งก็เพียงแค่อาศัยสติปัญญามาเป็นผู้รู้เห็นฉลาดรู้แจ้งเข้าใจพอใจมันสิ้นยึดแล้วปุ๊บไอตัวสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ ไ, ไม่ได้ใช้อะไรหรอกเพราะว่ามันมันสังเกตมันจนรู้แจ้งหมดแล้วมันก็เหลือแต่เออใจที่ไม่ยึดแค่นั้นเองพอสิ้นผู้ยึดแค่นั้นหนะ่งกาเรียกว่านิพพาน